สำหรับท่านทั้งหลายที่เป็นนักปฏิบัติในปัจจุบันนี้ก็ไม่มีใครสามารถจะทราบได้ว่าท่านเป็นบุคคลประเภทไหนเป็นบุคคลประเภทปุคติสันยูหรือวิปจิตสันยูหรือประเภทเนยยะหรือประเภทปะทะประมะไม่มีใครสามารถจะรู้ได้แต่ว่าตัวเราเองนั้นย่อมรู้ได้เป็นอย่างดีว่าเราเนี่ยเป็นบุคคลประเภทไหน ฉะนั้นการปฏิบัติธรรมะเนี่ยจะให้ได้บรรลุผลอย่างรวดเร็วโดยมีทางใดบ้างที่เป็นทางรักซึ่งเราไม่ต้องไปนั่งหลับตาอะไรมากเพียงแต่มานั่งตารอยทําจิตว่างๆก็เป็นพระอาหารหันต์ขึ้นมาหรือว่าเพียงแต่เราสับว์ตรับฝังธรรมะเล็กๆ น, น้อยๆก็บรรลุมากผลถ้าหากว่าเป็นไปได้ดังนี้จริงๆก็น่าอนุโมทนาอย่างยิ่ง เพราะไม่ช้าไม่นานพระอระหันต์ก็คงจะเต็มบ้านเต็มเมืองแล้วก็ผู้ที่บรรลุมรรคผลทำที่สุดแห่งทุกข์ก็จะมีมากขึ้นแต่จะเป็นไปได้หรือไม่ก็อยู่ที่แต่ละท่านซึ่งเป็นนักปฏิบัติธรรมนั้นย่อมทราบดีเพราะธรรมะทั้งหลายนั้นเป็นปัจจดตังเป็นปัจจดตังเวทิตตโพวินยูหิวินยูชนทั้งหลายรู้ได้เฉพาะตนเท่านั้น ฉะนั้นเรื่องการเจริญอาณาปานสตินี้ก็เหมือนกันเราต้องปฏิบัติไปตามลําดับขั้นที่ต้องเปปฏิบัติไปตามลําดับขั้นเนี่ยก็เพราะว่าวิธีการเจริญอาณาปานสตินั้นเป็นวิธีการที่ค่อนข้างจะยากในด้านของบุคคลที่จะบรรลุถึงผลแห่งการปฏิบัติอุปกรณ์การปฏิบัตินั้นนะ่ะหาไม่ยาก หาง่ายกว่าไปเพ่งกะสินหรือเราจะไปเพ่งปฐวีกะสินเป็นอารมณ์นี่สิอีกเพราะว่าอารมณ์ของกรรมาฐานเนี่ยก็มีอยู่แล้วในตัวเราทุกคนลมหายใจออกลมหายใจเข้าเนี่ยก็มีกันอยู่ทุกคนไม่มีใครเลยที่ไม่หายใจฉะนั้นลมหายใจเนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่เราหาได้ง่ายเป็นสมบัติติดตัวเรามาอยู่แล้วที่เราจะใช้ให้เป็นประโยชน์ได้แต่ที่ยากก็คือตรงที่ว่า เราจะทำอย่างไรจิตของเรานี้จึงจะบรรลุถึงสมาธิและปัญญาในที่สุดและเมื่อสมาธิปัญญานี้แก่กล้าแล้วก็จะได้ทำลายกิเลสที่รึงรัดจิตของเราเนี่ยให้หมดไปสัทีหนึ่งซึ่งการที่เราจะเพาะปลูกสมาธิและปัญญาให้เกิดเนี่ยทำได้ยากเรื่องของสมาธิกับปัญญานี้ เป็นผลที่เกิดขึ้นจากการฝึกฝนจากการบริกรรมในขั้นขณ น, นาเนี่ยเป็นเบื้องต้นมาตามลำดับถ้าหากว่าเราปฏิบัติตามหลักที่ท่านวางไว้ในวิสุทธิมาร์ครนี้อย่างเคร่งครัดแล้วเชื่อแน่ว่าคงไม่นอกทางและก็คงจะไม่ผิดหวังสำหรับผู้ที่ปรารถนาสมาธิและปัญญา ต็อในวิสุทธิมรรคนี้เป็นวิธีการที่สมบูรณ์แบบท่านพุทธโคสาจารย์ท่านประมวลหลักปฏิบัติอันเนี้ยมาจากพระไตรปิฎกครบถ้วนบริบูรณ์ที่เราจะถือเป็นแนวทางแห่งการปฏิบัติได้ <c oughs> เพราะแนวทางนี้เป็นแนวทางของอพระไตรปิฎกเราอย่าเพิ่งคิดว่าอันนี้เป็นแนวทางของสำนักนั้นสำนักนี้ เพราะแต่รัศมีนักนั้นก็ยังยึดถืออะไรเป็นหลักเป็นเกณฑ์ที่แน่นอนไม่ได้นักบางทีปฏิบัติไปแล้วก็เลิกละ ก, กันไปก็มีเพราะเรายังไม่เห็นว่าใครจะทํากันอย่างเป็นดั่มเป็นสันให้เป็นงานเป็นการในทธ่ที่หนึ่งเห็นมีทํากันเป็นสักพักหนึ่งแล้ ว, ว่าสุดท้ายก็เลิกละ ก, กันไปฉะนั้นจึงขอให้ยึดถือแนวทางอันนี้ไว้อย่าอย่าทิ้ง แบบฉบับที่ดีงามซึ่งเป็นแบบฉบับที่ควรแก่การเชื่อถือได้อันเป็นแบบฉบับที่มีมาจากพระไตรปิฎกอันนี้เชื่อถือได้ดีที่สุดแม้เราจะมีเกจิอาจารย์เขียนตำราการปฏิบัติไว้มากมายหลายเล่มก็าตามก็อย่าเพิ่งยึดถือว่าอันนั้นเป็นหลักปฏิบัติที่ถูกต้องต้องถือแนวทางอันนี้ เ, เรื่องการกําหนดในขั้นพุทธนา คือการกำหนดลมกระทบเนี่ยเป็นวิธีที่สมาธิสูงขึ้นจากขั้นขณะนาแล้วเพราะว่าเราจะไม่ไม่จำเป็นจะต้องไปนับหนึ่งสองสามสี่เป็นปตะเพียงให้กระหนกกำหนดโดยสร้างความรู้สึกในใจว่ากระทบพอหายใจเข้าไปลมถูกต้องกับกายประสาท คือบริเวณของปลายจมูกนี้เราก็กำหนดในใจว่ากระทบหรือเราหายใจออกลมนี้มากระทบกับกระพุ้งจมูกเราก็กำหนดว่ากระทบให้ทันกับปัจจุบันเช่นเนี้ยอยู่สม่าเสมอกันแล้วไม่นานอำนาจของสติที่เรากำหนดลมได้อย่างทันปัจจุบันเนี้ยจะทำให้ปรากฏนิมิตขึ้น ทีนี้ปัญหาจึงมีวันนิมิตเนี่ยคืออะไรเพราะคําวันนิมิตนี่นักปฏบิบัติบางท่านก็ยังเข้าใจกไ้ยเขวกันไปมากเหมือนกับเรื่องวิญญาณวิญญาณเราก็ยังไม่รู้เรื่องว่าวิญญาณคืออะไรแต่ก็เห็นว่าอภิปรายกันเรื่อยผู้เชี่ยวชาญท่านนั้นท่านนี้ก็ว่าวิญญาณกันเละเปิืกไปหมดทั้งทั้งที่ไม่รู้ว่าวิญญาณเนี่ยคืออะไรเรื่องเกี่ยวกับการ ที่เราจะปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันเราจะต้องรู้ว่านิมิตของการปฏิบัติเนี่ยคืออะไรเรื่องนิมิตที่ปรากฏเกิดขึ้นจากการปฏิบัตินี้ถ้าเป็นนิมิตที่ปรากฏจากการปฏิบัติจริงๆแล้วจะต้องเป็นลักษณะของกรรมฐานที่เราบริกรรมอยู่ว่าเราบริกรรมกรรมฐานประเภทไหนมีอะไรเป็นอารมณ์เช่นอย่างเราจะบริกรรมเพ่งกสิน หรือเจริญอสุภะกรรมาฐานหรือเจริญอนุสติถ้าเราเพ่งกระสินเช่นเพ่งดินเป็นอารมณ์นิมิต ท, ที่ปรากฏนั้นจะต้องเห็นดินก่อนแล้วดินนั้นจึงใสสะอาดบริสุทธิ์ขึ้นปรากฏเป็นแสงสว่างที่เป็นตัวปฏิภาคนิมิตถ้าเราเพ่งน้ำก็ต้องเห็นน้ำเป็นนิมิตเบื้องต้นเสียก่อนแล้วจากนั้นสภาพของน้าจึงแปลสภาพเป็นความบริสุทธิ์ เป็นความใสสว่างขึ้นมาในภายหลังอย่างนี้เป็นต้นถ้าเราจเจริญอสุภากรรมาฐานก็จะเห็นภาพของราตศพที่เราบริกรรมก่อนแล้วภาพแห่งรากศพนั้นก็จะแปลสภาพเป็นภาพที่บริสุทธิ์ขึ้นหรือถ้าเราจเจริญอนุสติเช่นถ้าหากว่าจเจริญพุทธานุสติเนี่ยบางท่านอาจจะเห็นพระพุทธรูปเห็นเป็นพระพุทธรูปหรือบางท่านก็อาจจะสำคัญผิดคิดว่าเห็นพระพุทธเจ้า เพราะเมื่อสองวันมานี้ก็มีพระภิกษุรูปหนึ่งท่านมาจาก่ําเชียงดาวมาเยี่ยมอัตมาท่วิทยาลัยท่านไปพักอยู่ที่วิทยาลัยเช้าวันหนึ่งท่านก็มาเยี่ยมที่กุฏิบอกว่าเมื่อคือนเนี่ยผมนั่งสมาธิสำรวจบริเวณวิทยาลัยแล้วเห็นนิมิตอะไรหลายอย่างจึงจะมาเล่าให้ท่านอาจารย์ฟัง อาตอมาก็บอกครับนิมนฮะผมอยากจะทราบเหมือนกันว่าเห็นนิมิตอะไรบ้างท่านก็บอกว่าบริเวณที่เราตั้งวิทยาลัยแห่งเนี้เป็นอู่เงินอู่ทองบอกเงินทองจะไหลมาเทมาอยู่ที่เนี่ยเป็นที่ไหลมาแห่งเงินทองแห่งทรัพย์สมบัติแล้วท่านก็บอกว่าท่านนั่งเห็นพระพุทธเจ้าหลายองค์เชนั่งเต็มไปหมด แล้วก็พระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันนี้ก็มีนั่งอยู่ตรงกลางแล้วก็เห็นอาตมาเนี่ยนั่งอยู่ข้างหน้าองค์หนึ่งพอบอกอาตมานั่งอยู่ข้างหน้าองค์หนึ่งก็รู้สึกใจหายบอกเอาอีกแล้ว <c oughs> เนี่ยคงจะมาโมเมเอว่าอาตมาเป็นพระศรีอ่านอีกแล้วเพราะว่าโดนมาหลายครั้งแล้วคนโน้นก็บอกเป็นพระศรีอ่านคนนี้ก็บอกเป็นพระศรีอ่านบอกถ้าอย่างนี้ไม่ช้าถ้าลืมตัวเมื่อไหร่ก็เสียพระกันเหมือนนั้น เป็นพระสีอานเงียขึ้นมาเมื่อไหร่แล้วก็ยุ่งละ่ะอาตมาก็นั่งฟังท่านเล่าให้ฟังท่านบอกว่าท่านเห็นพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านบอกเป็นนิมิตอย่างนั้นพอบอกว่าเป็นนิมิตอาตมาก็นึกแล้วว่าอาจจะเห็นจริงแปลว่าไม่ใช่รูปพระพุทธเจ้าคงจะเห็นพระพุทธรูปมากกว่าเพราะพระพุทธเจ้าไม่มีอุบัติขึ้นในภูมิไหนๆแล้วนิพพานไปแล้ว เมื่อ น, นิพพานแล้วก็ไม่มีนามรูปเนี่ยที่จะเกิดขึ้นในภพภูมิไหนๆใครจะเห็นพระพุทธเจ้าได้ถ้าใครเห็นได้ก็นับว่าคนคนนั้นเหนือพระพุทธเจ้าเพราะว่าคำว่านิพพานเนี่ยหมายถึงนามรูปนี้ดับแล้วนามรูปเนี่ยไม่ปรากฏเกิดขึ้นในที่ไหนๆแล้วเราเรียกว่านิพพานเพราะฉะนั้น จึงขอพูดไว้ในที่นี้ว่าถ้าใครนั่งสมาธิบอกว่าสามารถเห็นรูปพระพุทธเจ้าได้แล้วก็มีบางท่านกำลังติดต่อกันอยู่บอกว่าจะไปเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วก็จะไปสเก็ตภาพเนี่ยมาหล่อเป็นพระพุทธรูปให้เหมือนพระพุทธเจ้าจริงๆสักองหนึ่งในโลกมนุษย์ก็อย่าเพิ่งไปเชื่อเรากพระพุทธเจ้านะท่านนพานไปนานแล้วใครจะนั่งรับตา สร้างนิมิตพระพุทธเจ้าขึ้นมาอีกนะ่ะก็ไม่มีทางที่จะเห็นพระพุทธเจ้าที่แท้จริงนอกจากเราจะเห็นพระพุทธรูปที่เราประทับใจว่าอันเนี้ย เ, เป็นองค์สัพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างที่เราบูชาพระพุทธรูปในปัจจุบันเนี้ยพระพุทธรูปนั้นเราถือว่าเป็นรูปเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าเป็นฉายาของท่านโดยเราจาลองขึ้นมาเพื่อเป็น อนุสติในการที่เราจะถือเอาเป็นอารมณ์เราก็ถือว่าอันนี้เป็นนิมิตของพระพุทธเจ้าซึ่งมันก็เป็นไปตามความรู้สึกหรือตามความปรุงแต่งของของมนุษย์แต่ละคนโดยเฉพาะว่าเราเนี่ยจะปรุงแต่งกันไปอย่างไหนเพราะว่าพระพุทธเจ้าของคนไทยหน้าตารูปร่างก็ต้องตรงกับรสนิยมของคนไทยถ้าหากว่าเป็นคนจีน ก็ต้องสร้างพระพุทธเจ้าให้ถูกต้องตามที่เขามีความนิยมถ้าเป็นพมา่าลังกาอินเดียหรือกรีกก็จะต้องสร้างความรู้สึกว่าจะต้องเหมือนกับความเข้าใจของตนเองแม้แต่คนไทยเราเองก็ยังมีความรู้สึกไม่ตรงกันแต่ละภาคแต่ละท้องถิ่นตามขนบธรรมเนียมประเพณีตามยุคตามสมัยเพราะฉะนั้นเราจึงเห็นว่าพระพุทธรูปเนี่ยมีสมัย อูทองมีสมัยสุขโขทยัยมีสมัยเชียงแสนอยุทยาสมัยรัตนโกสินทร์หลายๆแบบหลายๆสมัยแล้วแต่ศิลปินจะสร้างขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราจึงมีรูปพระพุทธเจ้าเนี่ยลักษณะไม่เหมือนกันจีนก็ถือว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยต้องอ้วนแล้วก็ต้องลงทุงด้วยผมผ้านุ่งท่าใต้กระดือ นั่งยิ้มทั้งวันนะ่ะคือพระพุทธเจ้างั้นท่านจะเห็นพระพุทธรูปของจีนได้วันนั่ ง, พ, งพุงทุ้ยอ่ของพมา่าพระพุทธเจ้าจะต้องอกแฟบนั่งหลังโกงนิดนิดหนึนน่งแล้วก็ท้องน้อยจะต้องยุ้ยลงมาเหมือนพองคนพมา่าเนี่ยลักษณะเป็นอย่างนั้นพอไปถึงทางลังกาก็จะต้องมีจมูกโดง่งเหมือนกับชาวลังกา มีพระพักซิมซิ่มแล้มแหลมเหมือนชาวลังกาเราจึงดูไม่ออกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยรูปร่างเป็นอย่างไรแต่ว่าถ้าเราศึกษาในทางพระไตรปิฎกถึงในมหาภูริสลักขณะสูตรแล้วเราก็พอที่จะอนุมานได้ตามความนึกคิดว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยมีรูปร่างเป็นอย่างไรเพราะว่าในมหาภุริสุลักขณะนี้ ได้พรณนาถึงส่วนสัตว์ต่างๆของพระพุทธองค์ว่าส่วนนั้นเป็นยังไงส่วนนี้เป็นอย่างไรที่จัดว่าเป็นผู้ที่งามที่สุดอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราสร้างกันขึ้นมาแต่ว่าองค์จริงๆเนี่ยเราไม่สามารถจะทราบได้ว่าพระพุทธเจ้านั้นท่านมีรูปร่างเป็นอย่างไรเพราะว่าเราเกิดไม่ทันในสมัยท่านและสมัยนั้นก็ไม่มีใครถ่ายรูปเอาไว้ด้วย ฉันั้นจึงไม่รู้ว่ารูปร่างเป็นอย่างไรถ้าพระพุทธเจ้าเกิดในสมัยนี้แล้วก็เราอุ่นใจได้ว่าถึงใครจะเกิดอีกสักห้าพันปีข้างหน้าก็ต้องรู้จากพระพุทธเจา้าว่ารูปร่างเป็นอย่างไรเพราะว่าความเจริญต่างๆเนี่ยก็พอที่จะให้เรา เ, เก็บภาพของท่านไว้ได้เก็บเสียงของท่านไว้ได้ว่าพระพุทธเจา้าท่านมีเสียงอย่างนี้ได้สอนอย่างนี้เอาไว้เนี่ยเราก็พอจะบันทึกเอาไว้ได้แต่ เมื่อสมัย 2,000 กว่าปีล่วงแล้วมานั้นวิทยาการเหล่านี้ยังไม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นจึงเต็มปไปด้ยจินตนาการที่เราจะนึกคิดกันไปแต่ในทางปฏิบัติธรรมนี้ผู้ใดที่บรรลุถึงซึ่งพระนิพพานแล้ว <c oughs> นามรูปจะไม่เกิดขึ้นในภพภูมิไหนๆหนอีกเพราะฉะนั้นเมื่อนามรูปไม่มีปรากฏขึ้นในภพภูมิไหนไหนอีก ใครจะนั่งสมาธิส่องอภินยาจิตไปเฝ้าพระพุทธเจ้าก็เป็นเรื่องที่ไม่จริงหรือใครบอกว่าจะไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเพื่อที่จะสเก็ดภาพท่านมาสร้างให้เหมือนองค์ท่านจริงๆก็ปไม่ใช่เป็นเรื่องจริงอีกเพราะว่าพระพุทธเจ้านั้นไม่มีรูปนิมิตอยู่งั้นเรื่องสมาธิเนี่ยอาจจะพบนิมิตรวงเรื่องนิมิตเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่เราจะต้องศึกษาให้เข้าใจ ได้่อนในด้านของการปฏิบัติธรรมบางท่านอาจจะไปเห็นภาพต่างๆซึ่งมันไม่เกี่ยวกับอารมณ์ของกรรมฐานก็มีอย่างนิมิตจอนมาเนี่ยอย่างบางท่านพอนั่งไปก็เห็นเป็นรูปที่น่าเกลียดน่ากลัวหรือเห็นใครบ้างคนใดคนหนึ่งที่เคยตายไปแล้วบางทีเห็นพ่อเห็นแม่บ้างอะไรบ้างอาจจะเป็นได้เพราะว่านิมิตที่ปรากฏอย่างนี้เป็นนิมิตจอ นิมิตย์เช่นนี้อาจจะมีทั้งกุศลและอาจจะมีทั้งอกุศลที่เป็นอกุศลนี่ก็คือถ้าเราเคยประกอบกรรมไว้แต่อดีตมากอากุศลที่เราทําไว้แต่อดีตมากเนี่ยอาจจะมาเป็นอุปสรรคระหว่างที่เราปฏิบัติธรรมก็ได้เพราะการปฏิบัติธรรมนั้นเรามุ่งที่จะทําจิตของเราให้สงบทําจิตของเราให้บรรลุถึงซึ่งญาณปัญญาในการที่จะรู้แจ้งแทงตลอดต่อ สภาวธรรมการปฏิบัติเช่นนี้เป็นความดีขั้นสูงสุดแม้เราจะนั่งหลับตาอยู่เฉยๆก็ไม่ใช่ว่าเรานี้จะไม่มีมารมาก่อกวนการปฏิบัติทำทางจิตมารยังคงติดตามก่อกวนในทางจิตอยู่ซึ่งเราไม่ได้ทำอะไรเลยท่านทั้งหลายไปอยู่ในป่าคนเดียวไม่ได้สมาคมกับมนุษย์คนไหนไม่มีใครรู้จัก ที่จะต้องมาตั้งแง่ในการยิษยากันหรือทำลายกันแม้เราอยู่คนคนเดียวในโลกไม่มีใครรู้จักเลยไปอยู่ในป่าในถ้าถึงกระนั้นมารมันก็รู้จักเราจนได้แล้วก็จะติดตามไปผจญเราจนได้แม้เราจะอยู่ในถ้าถ้าหากว่าเราเคยประกอบกรรมไว้แต่อดีตมารดังกล่าวนี้ก็คือภาพนิมิต ท, ที่จะทาให้เราเนี่ยเกิดความบาดเสียหวาดกลัวขึ้น หรือเกิดความกังวลใจขึ้นจนกระทั่งเลิกละการปฏิบัติธรรมเช่นนั้นไปนประเภทนี้เรามักจะพบกันอยู่เสมออันนี้เราถือว่าเป็นมารภายนอกที่มาเป็นอุปสรรคต่ อ, อ ก, การปฏิบัติทีนี่มารภายในอีกมารภายในนี้ก็คือกิเลสมารกิเลสที่เกิดขึ้นในจิตของเรานี่เองที่ก่อกวนกิเลสดังกล่าวเนี่ยอาจจะเป็นความเกลียดคร้าน เช่นพอนั่งๆไปแล้วก็นึกเกียดครั้งขึ้นมาเฉยๆว่าเอ๊ะมานั่งกันทําไมไม่เห็นจะได้ความเลยไปดูหนังดีกว่าหรือไม่เห็นจะได้ความเลยเราไปเที่ยวที่อื่นกันดีกว่าแล้วก็เลิกละการปฏิบัติกิเลสมานเช่นนี้ก็มีหรือบางทีความโลภเกิดความโกรธเกิดความหลงเกิดเพราะเป็นกิเลสสมานถ้าไม่มีกิเลสมานเราอาจจะมีสังขารมานขึ้นหรือขันธมานขึ้น ขันธมารก็คือเราอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยอาจจะปวดเมื่อยจนทนไม่ไหวหรืออาจจะต้องเข้าโรงพยาบาลผ่าตัดอะไรต่างๆเหล่าเนี้มันก็เป็นเรื่องของของขันธมารที่เกิดขึ้นกับมนุษย์ได้ทุกๆคนอันนี้เป็นด้วยวิบากกรรมวิบากกรรมอันนี้เราก็ไม่รู้ว่าเราได้ทากรรมอะไรกันไม่บ้าง และเราจะได้รับเสวยผลแห่งกรรมชนิดนี้กันอย่างไรเนี่ยเพราะฉะนั้นเรื่องนิมิตเนี่ยจึงเป็นเรื่องยากอ ย, กอยู่สำหรับท่านทั้งหลายที่ปฏิบัติแล้วก็พบปัญหาเช่นนี้เราจึงต้องวิจิตรไชอารมณ์ของกรรมฐานว่านิมิตเนี่ยปรากฏเกิดขึ้นอย่างไรในด้านการปฏิบัติกรรมฐานข้อนี้โดยเฉพาะอนาปนสตินี่ก็เป็นนิมิตที่ปรากฏไม่เหมือนกัน นิมิตที่ได้เนี่ยย่อมแตกต่างกันสําหรับผู้ที่ปฏิบัติธรรมเพราะบางคนอาจจะเห็นนิมิตอย่างหนึ่ง mm. เช่นบางคนอาจจะเห็นลมเป็นเมฆเาเวลาเรากํ mm. าหนดลมเนี่ยลมนี่มันจะหยาบขึ้นหยาบขึ้นคล้ายๆกับเป็นปุยเมฆ ข, ขาวๆลอยเข้าแล้วก็ลอยออกทางรูจมูกอันนี้ก็มีถ้าไม่เห็นเป็นปุยเมฆบางทีก็เห็นเป็นสายรุง้ง เมฆนันจะปรากฏเป็นสายรุง้งเป็นทางยาวเวลาเราหายใจระหว่างที่เรากำหนดลมเนี่ยจะเห็นลักษณะอย่างนี้ขึ้นอย่างนี้ก็มีซึ่งนิมิตเช่นเนี้ยย่อมไม่เหมือนกันแต่จะเป็นนิมิตอะไรก็ตามถ้าปรากฏเกิดขึ้นท่านสอนว่าต้องรักษาในนิมิตนั้นไว้อย่าให้สูญหายไป ถ้าเป็นนิมิตเช่นนี้นะถ้าเป็นนิมิต ท, ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติเว้นไว้แต่เป็นนิมิตจรที่นอกเหนือไิจากนี้เราก็อย่าไปสนใจเพราะถ้าสนใจเกี่ยวกับนิมิตเหล่านั้นแล้วเราก็ปฏิบัติไม่ได้ท่านสอนว่าเราจะต้องสนใจแต่นิมิต ท, ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติก็คือจะต้องพยายามรักษานิมิตอันนี้ไม่ให้สูญหายไป นิมิต ท, ที่ศูญหายเนี่ยศูญหายจากกิริยาบทกําเริบบางทีเดินมากก็ทําให้นิมิตศูนย์นอนมากนิมิตก็ศูญนั่งมากนิมิตก็ศูญยืนนานเกินไปนิมิตก็ศูญหายกิริยาบทเนี่ยทาให้นิมิต ท, ที่เราได้เนี่ยเกิดศูนย์หายไปหรือมิฉะนั้นความไม่สมรวมในอายตนะต่าง ๆ, างๆก็ทําให้นิมิตเนี่ยศูญหายได้ ฉะนั้นจึงต้องพยายามรักษาไว้อย่าให้ศูนย์วิธีที่จะรักษานิมิตไม่ให้ศูนย์ก็คือต้องใช้สติใช้สติกำหนดอย่าให้ขาดหายแม้ว่าเราจะเคลื่อนไหวในริยาบทใดๆก็ตามแต่ส่วนหนึ่งของสตินั้นยังคงกำหนดนิมิตเนี่ยอยู่แม้ว่าเราจะลืมตาแต่นิมิต ท, ที่อยู่ภายในเนี่ยเราก็ใช้สติกำหนดไว้ได้ทั้งๆที่เราลืมตาอยู่ ถ้าเห็นภายนอกเนี่ยคนภายนอกอาจจะเห็นว่าเอ๊ะคนนี้ไม่ได้ปฏิบัติอะไรหรอกแต่หารู้ไม่ว่าภายในคือสติของผู้นั้นอะ่ะยังกำหนดในนิมิตคืออารมณ์เช่นนี้ยอยู่ไม่ว่าเขาจะอยู่ในอียาบทไหนก็ตามยังประครับประคองนิมิตนี้ไว้ตลอดเวลาถึงจะพูดกับใครก็ตามดูอะไรก็ตามทำอะไรก็ตามนิมิตนั้นก็ยังคงอยู่ได้ด้วยการกำหนดไว้อยู่เสมอเสมอ วิธีรักษานิมิตเนี่ยเป็นวิธีที่ยากเพราะผู้ที่ได้ใหม่ๆนั้นบางทีก็ดีใจพอดีใจธทา น, นนิมิตก็หายแล้วดีใจก็ไม่ได้หรือเราจะไปคิดให้มันเกิดก็ไม่ได้จะสร้างให้มันเกิดก็ไม่ได้เพราะนิมิตอันนี้เกิดขึ้นจากจากการกําหนดอารมณ์กรรมฐานที่ติดต่อกันฉะนั้นจึงเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะยากอยู่สําหรับการ รักษานิมิตนี้เอาไว้แต่ถ้าหากว่านิมิตสูญหายเนี่ยท่านก็สอนไว้ว่าวิธีที่เราจะปฏิบัติเพื่อทำนิมิตที่สูญหายไปนั้นให้กลับคืนมาเนี่ยเราก็มีวิธีปฏิบัติก็คือพยายามสร้างนิมิตให้เกิดขึ้นเช่นอย่างเมื่อเรากำหนดลมหายไปลมหายใจมันหายไปเฉยเฉยเนี่ยคล้ายๆกับว่าเราเนี่ยไม่ได้หายใจ เราก็สามารถจะสร้างลมให้เกิดขึ้นได้ด้วยโยนิสโสมนุสิการถึงสัตว์ที่ไม่ได้หายใจว่าได้แก่เด็กที่อยู่ในครันคนดำน้ำําผู้ที่เข้าชาสมาบัติคนตายแล้วเท่าน้ำที่ไม่มีลมหายใจแต่เรายังเป็นอยู่เนี่ยเรามีลมหายใจเพียงนึกอย่างนี้ลมหายใจก็เกิดเป็นวิธีที่เราจะสร้างนิมิตเนี่ยให้เกิดขึ้นได้ การปฏิบัติเพื่อนิมิตเกิดนี้เป็นวิธีปฏิบัติอนาปานสติที่มีสมาธิสูงขึ้นเพราะผู้ที่ได้นิมิตมาแล้วเนี่ยท่านวินิจฉัยว่าสมาธิของผู้นั้นถึงอุปจาระแล้วเฉียดชานเข้าไปแล้วสมาธิสูงใกล้ชานเข้าไปถ้าได้นิมิตนี้มาจะถึงอุปจารสมาธิ แปลว่าเราจะต้องมีความรู้สึกตัวรู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลาในขณะที่เราได้นิมิตมาคือจะต้องกําหนดนิมิตนั้นอยู่เสมอเพราะการเจริญกรรมาฐานเนี่ยการกําหนดลมหายใจเข้าออกนี้ถ้าหากว่าจิตนี้สมาธิแก่กล้าถึงขั้นปัจสุบันแรงกล้าเกินไปเราจะมีสภาพคล้ายๆกับไม่รู้สึกตัว เหมือนกับผู้ที่มีปสัสทธิแก่กล้าเนี่ยจะไม่รู้สึกตัวเลยแม้ใครจะเอาเข็มไปทิ่มก็ไม่รู้สึกดีไม่ดีตัวแข็งเอาซิีด้วยอนนานาจปสัสทธิเนี่ยทำให้ตัวแข็งได้แต่ว่าความรู้สึกในด้านของสติสัมปชัญญะเนี่ยจะไม่เกิดขึ้นมีแต่สมาธิดิ่งลงไปอยู่อย่างเดียว นั้นถ้าหากว่าอารมณ์เช่นนี้เกิดขึ้นเนี่ยเราจะรู้สึกว่าแหมมันสบายไปชั่วขณะหนึ่งแล้วก็อาจจะเป็นอย่างนี้ได้ตลอดวันถึงสามวันโดยที่ไม่เคลื่อนไหวเลยถ้าถึงขั้นปะสสต ธ, ธิขั้นนี้นะอาจจะนั่งตัวแข็งได้สามวันสามคืนแต่อันนั้นไม่ใช่ผลการเจริญอาณาปานสติข้อนี้พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ว่า ผู้มีสติย่อมจะได้ความรู้สึกตัวอยู่เสมอเราไม่กล่าวถึงการเจริญอาณาปาณสติเมื่อผู้นั้นไม่รู้สึกตัวคือหมายความว่าผู้ใดก็ตามที่กำหนดลมหายใจออกลมหายใจเข้าเนี่ยจนกระทั่งไม่รู้สึกตัว อันนั้นไม่ใช่ผลแห่งการเจริญอาณาปานสติ <c oughs> อาณาปานสติต้องรู้สึกตัวคือต้องมีสติกับสัมปชัญญะเนี่ยอยู่ตลอดเวลาขาดหายไปไม่ได้ฉะนั้นถ้าหาว่ามีอารมณ์เช่นนี้เกิดขึ้นก็อย่าเพิ่งยินดีจริงเราสามารถทำความสงบให้เกิดได้เพียงชั่วหนึ่งชั่วโมงก็เป็นผลกำไรของชีวิตแล้ววันนี้คือความสุขอันหนึ่ง ตลอดระยะเวลาหนึ่งชั่วโมงเนี่ยเราเป็นสุขหรือเกินหรือเราอาจจะทำความสงบได้ตลอดวันวันนั้นก็เป็นวันที่เรามีกำไรที่สุดว่าวันนี้เรามีความสุขที่สุดตลอดวันซึ่งท่านทั้งหลายจะหาความสุขอะไรในโลกนี้ไม่ได้แล้วเพียงชั่ววันหนึ่งความสุขอะไรที่จะยั่งยืนถึงวันหนึ่งเนี่ยในโลกนี้ไม่มีมันจะยืนได้เพียงชั่วครู่ชั่วยามเท่านั้นแล้วความสุขอันนี้ก็จะสูญหายไป แต่ถ้าเราเข้าปรสสทิเนี่ยเรามีความสุขได้วันอาจจะมีความสุขถึงสามวันเป็นความสุขที่เราได้ถาวรซึ่งคนในโลกนี้น้อยนักที่จะได้แล้วอยางอื่นความสุขอย่างอื่นเนี่ยอาจจะมีแต่ว่าเป็นความสุขประเภทเวทยิตสุขความสุขประเภทนี้ต้องอาศัยอายตนะสัมผัส เช่นเราอาจจะมีรูปอะไรชมสวยๆตลอดวันเราคิดว่าเนี่ยเราดูรูปอย่างนี้ตลอดวันเรามีความสุขแต่ถ้าเมื่อใดท่านไม่ได้ดูท่านก็ไม่มีความสุขอีกหรือรูปอันนี้ไม่มีให้ท่านดูท่านก็ไม่มีความสุขเราอาจจะคิดว่าแม้เราได้ฟังเพลงตลอดวันเพลงเพราะๆทั้งนั้นเรามีความสุขเละเกินแต่มันจะมีความสุขตลอดระยะเวลาที่เราฟังเพลงถ้าเราไม่ฟังเราก็จะไม่มีความสุขหรือเสียงเพลงนั้นสิ้นสุดลงเราก็หมดความสุข เราอาจจะได้ดมกลิ่นอะไรหอมๆตลอดวันแล้วก็นึกว่าแหมวันนี้เรามีความสุขเหลือเกินที่เราได้ดมแต่กลิ่นหอมๆทั้งนั้นตลอดวันแต่ถ้ากลิ่นนั้นหมดไปหรือท่านไม่ได้ดมท่านก็ไม่มีความสุขอีกหรือเราอาจจะคิดว่าเราได้ริมรสอาหารที่อร่อยที่สุดในวันนี้เรามีความสุขเหลือเกินมันก็ชั่วยะเวลาที่เราลิมรสเท่านั้นเมื่อไม่ได้ริมเราก็ไม่มีความสุขหรือเราอาจจะได้สัมผัสต่อ ทางกายที่มีความสุขตลอดวันความสุขเช่นนี้ก็เกิดขึ้นขณะที่สัมผัสเท่านั้นถ้าไม่สัมผัสความสุขก็สิ้นสุดลงทันทีหรือเราอาจจะนึกคิดอะไรสักอย่างหนึ่งเมื่อนึกคิดแล้วเรามีความสุขแต่ถ้าเราไม่นึกเราก็ไม่มีความสุขอีกความสุขนั้นก็สิ้นสุดลงทันทีเนี่ยเป็นความสุขประเภทเวทยิสุขซึ่งต้องอาศัยการปรุงแต่งการสร้างสรรค์เช่นนี้ตลอดชีวิต สร้างแล้วสร้างอีกสร้างแล้วสร้างอีกไม่มีวันยุดติลงได้ถ้าเราแสวงหาความสุขกันอย่างนี้เราจะมีภาระสร้างความสุขหรือสร้างเหตุปัจจัยเนี่ยตั้งแต่เกิดจนตายแล้วก็สร้างแล้วสร้างอีกพอหมดไปต้องสร้างขึ้นใหม่แล้วไม่งั้นไม่มีความสุขต้องทำขึ้นใหม่อีกจึงจะมีความสุขพอมันหมดไปแล้วต้องสร้างขึ้นมาใหม่อีกแล้วมีกําต้นอย่างนี้ อยู่เสมอเสมอแต่ถ้าเป็นความสุขประเภทปสัสสธิหรือประเภทสันติสุขนี้จะเป็นความสุขที่ถาวรโดยที่เราไม่ต้องสร้าง ม, มากเมื่อมีความสุขแล้วก็ได้รับความสุขอั น, นียถาวรหน่อยหนึ่งนี่เพียงขั้นไม่ต้องเข้าสู่นิโรธสมาบัติเหมือนกับพระอริยเจ้าเป็นแต่เพียงว่าให้ถึงได้ปสัสสธิแค่นี้เราก็มีความสุขมากมายเชื่อแน่ว่าไม่มีใครได้พบ ในปัจจุบันที่เป็นมนุษย์อยู่ท่านจะเป็นอะไรก็ตามแต่ท่านจะไม่มีความสุขอย่างนี้ตลอดวันจะเป็นอะไรทั้งหมดในโลกมนุษย์ที่เราถือว่าประเสริฐสุดแต่ถ้าเราทำจิตได้อย่างนี้เรามีความสุขเหลือเกินเพียงแค่นี้ท่านจึงกล่าวว่าเป็นผลกําไรที่เราได้ในชีวิตนี้แล้วเนี่ยเป็นเป็นความสุขที่เราได้แต่ไม่ใช่ผลแห่งการเจริญอาณาปานสติถึงกระนั้นก็ยังไม่ใช่ ผลจากการเจริญอาณาปาณสติเพราะฉะนั้นท่านจึงได้อธิบายไว้พระพุทธองค์จึงตรัสว่ากรรมฐานคืออาณาปาณสติกรรมฐานเนี่ยเป็นของหนักสําเร็จยากพูดอย่างนี้อย่าเพิ่งพอแท้ใจเพราะว่าที่ว่าเป็นของหนักเนี่ยคือมันหนักจริงๆแล้วก็สําเร็จยากแล้วก็เป็น